ว่าจะเก็ดแล้วให้ตายขึ้นชื่อว่าชายอันตรายรอบดานกะว่าเข็ดคำเข็ดคำหวานคอยมาวานของหวานของข้าวกับว่าจะเข็ดแล้วให้ตายเชื่อปากผู้ชายน้องแทบตายทุกคราชอบมา่หลอกคอยหลอกความสาวใกล้ทุกคราวเป็นข่าวทุก ว่าจะเก็บแล้วให้ตายกลับเจอผู้ชายเตือ้อยู่ใกลไก กว่าจะเข็ดแล้วให้ตายขึ้นเชื่อว่าชายอันตรายรอกได้กะว่าเข็ดคำเข็ดคำหวานคอยมาหวานของหวานของข้าวกะว่าจะเข็ดแล้วให้ตายเชื่อปากผู้ชายน้องแทบตายคราชอบมั่หลอกคอยหลอกความสาวใกล้ทุกคราวเป็นค่า ว่าจะเข็ดแล้วให้ตายกลับจจกผู้ชายตือ่อยู่ใกล้ๆกลบ้าน